ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่ใจนี่สำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเราทำบุญกุศลต่างๆก็เพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันมันพาท่องเที่ยว เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ให้พากันเข้าใจร่างกายนี่มันก็มีแต่หมดเขตของมันแล้วมันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินมันไม่มันไม่เป็นอะไรเป็ น, านธาตุดินเหลือแต่ธาตุดินเท่า น, นั้นะส่วนจิตคือความรู้สึกนึกคิดนี่นะ อันนียมันสำคัญนะถ้ามันยึดเอากำรรชั่วไว้กำรรชั่วมันก็พาไปสู่นรกอบายุภูมิถ้ามันยึดเอากำรรดีไว้กำรรดีมันก็ น, นำไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ถ้ามันสั่งสมบุญกุศลให้เต็ม แล้วก็ละบาปหมดบุญคุลก็คำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากดวงกิจนี้ดวงกิจนี้ก็เข้าสู่นิพพานก็เป็นอนุพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีก การมาเกิดอยู่ในโลกนี่มันเป็นทุกข์มันทนได้ยากลำบากอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้เลยทุกคนก็พอจะพิจารณาเห็นได้ว่าความสุขนั้นมีน้อยนิดเดียวความทุกขันั้นมากมากจริงๆดังจะเห็นได้ว่า ความทุกข์ประจำวันนะในเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันร่างกายนี่นะมันก็ยอมกระวนกระวายแสดงถึงความมันเป็นทุกข์นล้วเนี่ยเมื่อมีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันแล้วมันก็จึงบรรเทาทุกข์อันนั้นลงไปได้ เป็นนั่นเห็นได้ชั ด, ชดเลยเร่างกายอันนี้ถึงแม้จะบำรุงด้วยอาหารการบริโภคต่างๆเท่าไรก็ตามเมื่อถึงคราวมันจะวิบัติมาแล้วมันก็วิบัติไปไม่ได้อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดในทุกคนก็พอที่จะเห็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว คนอื่นที่ตายมาก็เยอะแ ย, ะ, ยะที่ลงมาแล้วและกำลังตายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่าตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อหมดบุญเก่าลงไปแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม้จะมีอาหารการบริโภค มาหล่อเรี่ยงร่างกายนี่สักเท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ได้มันรับประทานอาหารนี่ไม่ได้ซ้ำเลยไม่รู้จักรสชาติของอาหารซ้ำอะอันนี้นะเราพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราพิจารณาตรงตรงนี้แล้วมันก็จึงว่ามารวมอยู่ที่จิตแล้ววันนี้นะ ก็ร่างกายเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหามันจังอยู่ที่จิตดวงนี้นนจิตดวงนี้มันเกิดอยู่ในท่ามกลางของไม่เที่ยงแล้วมันมีอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงตัณหาความทยานอยาก ติดสอยห้อยตามมาในพบในชาติที่ร่วงแล้วมาเนี่ยกิเลสตหาอาวิชชาเหล่านี้แหละทําให้จิตนี่บังคับกายวาจาทําชั่วพูดชั่วบ้างทาดีบ้างพูดดีบ้างเนี่ยมันก็เลยเป็นกรรมบันนี้นะการกระทานั่นแหะนะกรรมดีกรรมชั่วเหล่านี้แหละบันนี้ อานำดวงจิตออกจากร่างนี้ไปเศรษสุขสเศรษทุกข์ในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปก็เป็นอยู่นี่แหะชีวิตนี้นะไม่มีความหมายอะไรที่เป็นแก่นสารเลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสงสารอันนี้น่ะถ้าจะมีความหมายก็มีความหมายเฉพาะบุคคลที่ เบื่อทุกในสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจสร้างบุญบา ร, รมีไปอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี้แหละสร้างไปมันไม่เที่ยงกว่าจริงแต่มันก็ยังเปิดโอกาสให้ทำคุณงามความดีได้อยู่อาศัยบุญเก่านู่นแหละผู้ใดสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนน้อย เกิดมาไม่ทลายก็ตายเสร็จแล้วไม่ทำได้สร้างบุญบรารมีอะไรเลยเส้นนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาษตื่นไม่ใช่เหรอนี่อย่าไปเข้าใจ ว, าว่ามันตายเพราะอย่างอื่นเราต้องเชื่อพระปัญญา ต, ตรรู้ของพระพุทธเจ้ามันตายเพราะมันหมดบุญเก่า ถ้าบุญยังเหลืออยู่ไม่ตายคนเราเนะ่ะบุญอุปธรรมบำรุงรักษาไว้ไม่มีภัยอันตรายใดมากำกับกายเหตุที่มันตายเนี่ยเพราะหมดบุญหมดบุญแล้วก็หมดอำนาจวาสนาก็ลงแตกกับทำลายไปเท่านั้นเองร่างกายนี่นะดังนั้นแหละถึงแม้ร่างกายนี้มันจะไม่เที่ยง แต่เราค่ะอาศัยบุญกุศลอุปธรรมบำรงไว้แล้วก็ตั้งอกสั้งใจทำความเพียรพยายามชำระจิตใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปให้ความยินดียินร้ายระงับดับไปให้มันยังเหลือแต่ความรู้สึกเป็นกลางโยเรีกว่าทำจิตให้เป็นกลางต่อโลก สันนิบาตอันนี้แหละโดยเฉพาะก็ต่อขันห้านี้เองเนี่ยเพราะขันห้านี้จิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดถ้าวางอุเบกขาต่อขันห่านี้ไม่ได้ก็วางอุเบกขาต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในภาวนานั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันพลิกไปพลิกมากลับกอก โย่เรื่อยไปไม่อยู่คงที่ได้ใ น, นการภาวนานี้ช่วยให้จิตนั้นอยู่เป็นหนึ่งอยู่ได้สงบระ ง, งับอยู่ได้ไม่สร้างปัญหาให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนนี่ให้ภากันพิจารมันเห็นคุณค่าของการไหวพระนั่งสมาธิภาวนา มันเป็นอุบายขจัดกิเลสตัณหาออกไปจา ก, กจิตใจทีละน้อยละน้อยเพราะว่าผู้ที่มีวาสนาบารมีไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วแล้วจะไปกาจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปทีเดียวไม่ได้เราจะจึงต้องอาศัยความอดความเพียรพยายามละ กิเลสนี่ไปทีละน้อยละน้อยไปแต่เมื่อเราเพียรพยายามไม่ท้อถอยมันก็หมดไปเองมันแหละกิเลสตัาหาเมื่อเพียรละมันไปนั่นเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าพากันนิ่งนอนใจเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเิยนี้แล้ว พระพุทธเจ้าสรงชี้หนทางข้อปฏิบัติสำหรับนำดวงขิดตวงนี้ให้พ้นจากทุกภัยในสงสารไปได้เพราะองค์แสดงไว้ดีแล้วแล้วก็เป็นไปได้ตามเป้าหมายจริงๆถ้าบคุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามจริงๆ อันข้อนี้นะมันก็รู้ได้โดยตนเองแหละแล้วก็สังเกตเห็นผู้อื่นได้บ้างเช่นนักบวชอย่างนี้น ะ, ะก่อนบวชก็ต่างมีกิเลสตัณหาความรักความใคร่ความโกรธอะไรมีอยู่แสดงออกอยู่นั่นฉั้นเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้ว ได้มารู้แนวทางข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องขจัดกิเลสตัณหาแล้วก็ลงมือทาลงมือปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยกิเลสตัณหามันก็นโน้อยเบาบางออกไปก็เลยไม่ได้เป็นไม่ได้ครองเรือนให้ลำบากยากเก็นทำตัวเป็นคนผู้เดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตชีวา ลองสังเกตดูสิถ้าหากว่าราคะตัณหายัางรุนแรงอยู่เนี่ยเพื่อนอยู่ไม่ได้แต่ผู้ที่บวชมาแล้วทั้งสิบปียี่สิบปีก็มีนะครับสระเพศนักบวชออกไปเป็นเพศเครืคอขัดเหมือนเดิมอีกอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้เพียรพยายาม ละกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนั้นเองบวดจูก็ะักแต่ว่าอยู่ไปตามการงานภายนอกเอาเรื่องสังคมกับผู้กับคนให้แล้ววันแล้วคืนไปและจัดการอบรมอย่างโน้อนอย่างนี้ไปนะก็อยู่ไปอยู่ไป เท่านั้นแหละเมื่อเปิดช่องทางให้กิเลสมันกำเริบมากๆเข้าแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วจะต้องเพ่นออกไปแล้วอย่างนี้เนี่ยาเป็นมันเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะผู้ใ ด, ดตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆแล้ว มันย่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นด้วยตนเองแล้วผู้นั้นก็ดำลงชีวิตอยู่ในเพศพรหมจรรย์ตลอดไปเลยเพราะว่าเห็นหน้นทางแห่งความสุขความสงบแล้วนี่แล้วเย็ดดินออกไปหาความทุกข์ทำไมอ่ะมันนี่มันได้รับความสุขความสงบใจแล้วอยู่ในเพศบรรปะชิตเนี่ย เมื่อเป็นเช่นนี้ใครมันก็ไม่ออกกระโดดออกไปหากองทุกข์แล้วไอ้ที่มันกระโดดออกไปนะั้นเกิดอย่างที่ว่ามาแล้วนะั่นเองมันประมาทไม่ทําความเพียรไม่พยายามละกิเลสออกจากคิดใจเมื่อกิเลสกําเริเบขึ้นมาก็ปล่อยมันกําเริบไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะไม่เพียร ข่มใจละมันไม่ใช่ปัญญาสอนจิตให้จิตนี่ได้เห็นโทษของกิเลตันหานั้นละความเพียรเสียเช่นนี้มันจะไปอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องกระโดดออกไปนอนแช่อยู่กองกิเลสของเรือนอยู่นั่นแหละแม้จะทุกข์ยากลําบากอย่างไรมันก็ต้อง สู้ทนอดกั้นอยู่ยงั่นเพราะว่าไม่มีทางออกแล้วทีแรกก็นตนเดินทางไปถึงที่สุดแล้วสุดทางแล้วขอการเป็นนักบวชนี่การดำรงชีวิตเป็นนักบวชนีนะ่มันเป็นทางอันสุดลงตรงนี้ ผู้ใดที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์นอกจากความเป็นนักบวชนี่ให้ได้พ้นทุกข์ไปตามเป้าหมายยากเต็มทีเป็นเครือหันนี่ก็ต้องนานการสั่งสมบุญบรารมีเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญเพียรทางจิตใจติดต่อกันเหมือนอย่างนักบวช ธุรกิจการงานมันมากเหลือเกินมันรักตัวก็ปล่อยให้เปิดโอกาสให้จิตมันไปปรงแต่งคิดอ่านการงานต่างๆภายนอกนุ่นมากมายอันที่จะมาคิดในทางศีลทางธรรมคิดองวางขันห้าธาตุสีอันนี้มันน้อยเต็มทีแล้ว เพราะว่างานการทำมาหาเลียงชีพเน่มันยุ่งยากลำบากเหลือเกินนี่แหละฉะนั้นผู้เป็นครือหัดเนี่ยจึยงต้องอาศัยเวลานานนะกลัวจะพ้นทุกข์ไปได้เกิดมาแต่ได้ชาติมาได้สร้างบุญกุศลก็ได้เพียงเล็กน้อยปล่อยเวลาให้ไปคุกทีอยู่กับการกำงานทรมาหาเลียงชีพน่นมากต่อมาก ลองคิดดูให้ดีผู้เป็นนักบวดนี่มีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นเช่นนี้มันถึงมีได้มันได้มีโอกาสทาความเพียรติดต่อกันละอาสวะกิเลสตนาให้น้อยเบาบางไปได้ดีกว่าผู้ครองเรือนอมันเป็นยังน้น ดังนั้นเราทุกคนที่ได้มาบวชมาแล้วอย่างนี้นะก็ให้ถือว่าเรามีบุญมากถ้าบุญไม่มากมาบวชไม่ได้ดังั้นแต่ว่าบุญมากก็จริงดอกแต่มันยังไม่เต็มเมื่อบุญมันยังไม่เต็มกิเลสมันก็แทรกอยู่มันก็มีอยู่ยนั่นแหละ เราก็อาศัยบุญเก่าบ้างบุญใหม่บ้างสมทบกันเข้าเป็นกำลังใจต่อสู้กับกิเลสดังกล่าวมาแล้วนั่นนะคนไม่มีบุญคุณเป็นกำลังใจจะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสไม่ได้เห็นไให้สังเกตดูคนที่ต่อสู้กับกิเลสได้ เราจะเห็นได้ผู้ที่มีความเพียรนั่นแหะเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียรสัมรวมกายวาจาใจสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อให้มันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆในโลกนั่นเรียกว่าผู้ที่ มีกำลังใจอาศัยบุญคุณเป็นกำลังใจมันถึงบำเพนเพียนไม่เกียจคร้านไอคนมีบุญน้อยไอการนับถือเคารพนับถือคุณพระธนกัยก่อนน้อยอันใดก่อนน้อยอย่างนี้แล้วกำลังใจมันก็น้อยอ่อนแอมันก็เลยสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ ให้สังเกตดูเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นแหละการเจริญสมถะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้นึกถึงบุญถึงคุณอย่างในอนุสติสิบอย่างนี้มันก็เป็นสมถะกรรมฐานหมวดหนึ่งพยายามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ะระลึกถึงศีลบ่อยๆะระลึกถึงทานการบริจาคบ่อยๆเห ม, มาะคำว่าะระลึกจนว่าใจสงบลงแล้วนะ่ะเพ่งแต่ว่าเมื่อก็ไม่จําเป็นต้องไประลึกทุกข้อไปตลอดหรอกหมาะคำว่าเรากําหนดเอาข้อใดข้อหนึ่งได้แล้วก็เพ่ง เช่นอย่างว่าเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะอเมื่อเรากําหนดเอาคุณพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในจิตแล้วก็เพ่งพิจารณาโอ้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้หนอเพราะองค์จึงได้มีกิตติคุณรับเบออยู่ในโลกนี้ไม่แต่มนุษย์นับถือแม้แต่เทวดาอินพรหมก็ยังนิยมนับถือ ทั้งนี้ก็เพราะพระ อ, องค์ละราคะโทสะโมหะนี้แหละให้น้อยบาวางออไปจา ก, กจิตใจหรือจุหมดสิ้นไปจากพระไทยด้วยความอดความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระ อ, องค์เราเพ่งดูอย่างนี้แล้วมันจะเกิดปีติเกิดความเรื่อมใสขึ้นมาแล้วจิตใจก็จะไม่ได้วกวนไปหาเรื่องอื่น มันก็รวมเป็นหนึ่งลงได้เพียงอย่าไปนึกเ บ, า, บ, า, บ, า, บางบางไปเฉยเท่านั้นแล้วจะให้ใจมันรวมลงไม่ได้คือมันต้องเพ่งเข้าไปในความรู้สึกนู่นนะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพ่งแล้วก็พิจารณานึกคิดว่าโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ เห็นแจ้งประจักษ์ในใจแล้วมันก็เลื่อมใสสิสวะ น, นี้นะนั่นเนถะ้าเราจะไปนึกถึงคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสให้เกิดความสบายใจไม่มีไ ม, มไม่มีทางนึกถึงคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสจะมีแต่ใจหดถูเบือหน่ายเพราะคนกิเลสหนานี่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่น มืกก่อเกเบียดเบียนผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนี้นะนนนะเมื่อเรานึกถึงคนชั่วแล้วกระใจหดหูเบื่อในไม่สบายใจต้องคิดเทียบกันดูสินั่นเนี่ยพอเราละ ล, ะ ล, ะละลึกถึงผู้วิเศษคือพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากอดีร ะ, ะ, ะลึกถึงองค์พระอราหันตสาวกผู้มีบา ร, รมีอันยิ่ยงใหญ่ได้บรรลุ อรหัตตะมักอรหัตตะผลดับขันเข้าสู่พรานิพานไปแล้วก็มากมายกายกองไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าพ ร, พระองค์เดียวเท่านี้แม้แต่พระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกที่ร่วงมาแล้วันคันานานับไม่ถ้วนเลยท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพานไปหมดแล้ว ไม่ไม่มีอะไรนะจิตใจตรงนี้นะ้าราคะทโทสะโมหะกิเลสน้อยใหญ่นี่หมดไปแล้วนี่ก็เข้าสู่นิพพานเท่านั้นไม่ไปที่อื่นเลยก่อนนิพพานเท่านั้นเองความจริงเนะี่ยคำว่าเข้าสู่นิพพานนะหรือว่าไปนิพพานเนะี่ยมันก็ยังไม่ถูกดีหรอกคำว่านิพพานนั่นแปลว่าดับ เมื่อดับแล้วดับที่เลตันหาหมดแล้วจิตนี่มันหมุนไปทางอื่นใดไม่ได้เลยมันก็เป็นเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแหละคือท่านก็ไม่ว่าจิตซะแล้วว่า น, นี้นะว่าอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่ตายเป็นธรรมอันไม่เคลื่อนไหวไปหาที่เกิดใดๆทั้งหมด เรียกว่าเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเลยเป็นหนึ่งไม่มีสองไม่มีวัหนยัตเพราะฉะนั้นเราจะบัญญัตว่าพระนิพพานอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่สูงหรืออยู่ต่ำหรืออยู่ปานกลางหรืออยู่บนอยู่อยู่บนอากาศบอกอยู่ดวงดาวดวงพระจันทร์อะไรไม่มีเลยพระพุทธเจ้า ทรงปฏิเสธหมดเลยแต่พระนิพพานนมีอยู่องว่างั้นนี่นัน่นเลยพากันพิจารณาดูให้เข้าใจถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้บรรลุพระนิพพานแต่มันก็ต้องจำใจต้องพิจารณาให้รู้เห็นว่าพระนิพพานนั้นบริสุทธิ์ฟุตผ่องประเสริฐผู้ดใดได้บรรลุ พระนิพพานนั้นแลว้วผู้นั้นพ้นทุกข์จริงมีแต่ความสุขล้วนๆตลอดอนันตการไม่มีความทุกข์แม้น้อยหนึ่งประเจอพนเลยถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจต่อพระนิพพานมันก็มุ่งหน้าต่อพระนิพพานในการปฏิบัติ ท, ทางจิตใจเป็นอย่า ง, งานั้น มก็เพียรละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความถือเนื้อถือตัวความแข็งกระด้างกระเดื่องทั้งหลายนั่นละไอเบาวางลงคนบุคคลที่จะเข้าสู่นิพพานไม่ได้ก็เพราะเป็นผู้ ม, มีมานะทิฏฐิกระด้างกระเดื่องต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบางคนน่ะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เอาตามชอบใจของตนเองถ้าคําสอนข้อใดไม่เป็นที่สบอารมณ์ตัวเองก็ไม่ปฏิบัติตามซ้ํเนี่ยยินดีปฏิบัติตามแต่มันถูกอารมณ์เจ้าของมันถูกใจเจ้าของเท่านั้นแหละถ้ามันฝืนความรู้สึกแล้วไม่เอาเลยแต่เช่นนี้นะกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรอ่ะคาแต่ถือตัวอยู่ว่าตนและผู้หนึ่ง อ่าเป็นผู้รู้อ่ะอย่างี้นะไม่ใช่ในเมื่อตนยังละกิเลสไว้หมดจะว่าตนเป็นผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้ท่านหมายเอาผู้ละกิเลสหมดสิ้นไปจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้รอบโดยประการทั้งปวงเลยผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่รู้อยู่หรอกแต่รู้โดยเอกเทศรู้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งก็ยังไม่รู้ ที่ฉันรู้จากทุกนี่ก็รู้เป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ส่วนที่ยังไม่รู้มีอยู่